พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สทธันวาคม2556ห้าหมีชื่อเรื่องว่าโค้งสุดท้าย วันนี้เป็นวันที่สธันวาคมพุทธศักราช2 5งพหสิบกวันพุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมภพแระทรงประสูติวันเกิดของในหลวงพูดแบบภาษาแบบเข้าใจได้ง่าย ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเพราะนั้นวันนี้ในเย็นวันนี้พวกคณะสงฆ์ ว, วัดของเราพร้อมกับคณะศ ร, รัทธาญาติโยมได้พร้อมกันสวดมนต์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชุกุศลในวันเกิดของในหลวงแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา แล้วก็ถวายเป็นพระราชุกุศลพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนานานเท่านานพระพุทธศาสนาของเราดารงทรงอยู่ได้เพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมเป็นผู้ เ, เกื้อกูลนุน ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ในครั้งพระพุทธเจ้ามาที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งก็คือในสมัยเมื่อพญาธรรมโสกราดพระพุทธศาสนาเฟื่องฟูมากจากนั้นพระพุทธศาสนาร่มจมก็กระสับเช่นเดียวกันตามประวัติศาสตร์ะตรนี้เราคงไม่อยากจะพูดซักสซไลเลียง ความเป็นมาของศาสนาสรุปแล้วก็คือกดอยู่ในกดอันนี้จังอันนี้จังคือของไม่เที่ยงลุ่มลุ่มรอนๆอนสูงสู ง, สงต่ำต่ ำ, ต, ำตามยุคตามสมัยถึงจะเป็นของดีขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาไม่ให้ความสำคัญในของดีของดีแล้วก็กลับเป็นของที่ด้อยไปได้แต่ของไหนที่ คนในยุคใดสมัยใดให้ความสำคัญในยุคนาสมัยนั้นของนั้นก็เลิศประเสริฐอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมเพียงกระดาษเขาให้ความสำคัญว่านี่คือเงินเพียงแค่นั้นล่ะคนทั้งหลายก็ตาโตฆ่ากันไม่รู้เท่าไรเท่าเท่าไรเพราะเงินเพียงกระดาษก็ให้ความสมมติกันขึ้นมาแต่ตามไม่จริงกระดาษก็มีตังเยอะแยะ แต่ว่ากระดาษนี่มีคุณค่ากระดาษแบบนี้มีคุณค่านะความให้ความสมมุติอจากนั้นก็คนทั้งหลายก่อน่ะติดในจุดนั้นอแต่ว่าบางยุกบางสมัยก่อนไม่ให้ความสําคัญนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกัน่ะโลกอันนี้มันโลกอันนี้จังโลกที่ของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปว่ายุคนั้นสมัยนี้ มันเป็นจู่อย่างนี้ลหละอย่างพวกเราท่านหลากหลายได้เห็นแต่ถึงยังไงก็เถอะนะถึงจะโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ส่วนตัวของเราเนี่ยพวกเราทุกท่านให้มองดู ด, ดูดตัวเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องจะไปมองคนอื่นจะไปมองโลกอื่นจะไปมองอย่างอื่นเพราะเราเนี่ยความ ความทุกข์กวดีความสุขกวดีมันอยู่ในตัวของเราถึงจะเป็นอย่างอื่นคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราจะพอจะช่วยได้ไหมพอเราพอจะเกื้อกูลหนุนได้ไหมถ้าเราช่วยได้เขาไม่เป็นไรเราก็ช่วยแต่ถ้ามันเกินวิสัยเกินของเราที่จะไปช่วยเขาได้อันนั้นเรียกว่าเราก็ต้องปล่อยวางทาไมวางเราก็ทุกข์เ พอเหไรในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าวะเมตตากรุณามุทิตาอุปเปกขาจะมีล้างท้ายอุปเปกขาคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติแต่ถ้าวามีแต่เมตตาอย่างเดียวพวกเราก็คงจะทุกข์กับคนอื่นทั้งวี่ทั้งวันทั้งพบทั้งชาติดในหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามี ข้อสุดท้ายเนี่ยอุปเปกขาในคำนี้นหะเก็ต้องใช้ปัญญาเลยแ่เยเราจะควรจะอุปเปกขาในเรื่องอะไรควรจะช่วยยังไงมันสุดวิสัยหรือยังแต่เรายังไม่สุดวิสัยพอจะช่วยเหลือได้อยู่เราก็ต้องช่วยแต่ถ้ามันสุดวิสัยเราก็ต้องวางเฉยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกับคนที่เรารักแสนรัก พ่อแม่ผี่น้องปู่ย่าตายายของเราเนี่ยพอที่เราจะรักษาได้เราก็รักษาแต่สุดวิสัยหมอประสุดวิสัยใครเขาว่าสุดวิสัยแล้วจะทํำยังไงมีแต่นั่งคอยดูนะทําตาปิบปิบดูเท่านั้นนะมันสุดวิสัยถึงคราวมันสุดวิสัยมันมีในโลกเนะี่ยเพราะนั้นโลกใบนี้นะทํำยังไงตัวเองก็เหมือนกันไม่ใช่สุดวิสัยแต่คนอื่นเขา ตัวเองก็ต้องอีกสักวันหนึ่งก็ต้องสุดวิสัยอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทุปแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถึงข่าวนั้นขึ้นมาแล้วตนเองนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนใจของเราจะเป็นที่พึ่งของของตนเองใจของเรานะั่นะนะต้องมองดูใจของเราลนะท่านนะไม่ต้องมองดูใครอื่นนะ่ะ มองไวยอื่นมันก็สุดวิสัยของเขาแล้วเหมือนกับเราจะจมน้ำตกในบอ่อกว่าเขาจะหาอะไรมาช่วยมาช่วยไม่ได้เราต้องดูตนเองเท่านั้นแหละบ่านนี้กาหนดดูใจของตัวเองเ่นอย่าให้ใจของเรากระเพื่อมใจของเราเน่งใจของเราให้เป็นสมาธิใจของเราให้เกิดปัญญาใจของเราให้พิจารณา ดูอย่าให้มันกระเพื่มวันไหวปล่อยวางดูให้ดีในจุดนั้นจุดที่มันจะมันจะหลุดออกไปนั่นนะอย่าไปคิดไปทางอื่นให้ดิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้ทันทีเลยนั่นแหละถ้าเมื่อดิ่งเข้ามาตัวผู้รู้นั่นแหละข่าวนี่เราจะปล่อยเราจะวางยังไงเราจะเห็นโทษยังไง นี่ลหละถึงเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติก็เทอะต่อไปภายภาคหน้าใจเอ้ยใจพอรู้ไอรนะู้เรายังจะติดอยู่เหรอเราจะติดสุขอย่างนี้อยู่เหรออันนี้มันสุขแล้วมันทุกข์เนี่ยในเมื่อเราเห็นทุกข์ขังอธิจังเต็มตัวของเราเราก็ต้องปล่อยวางในจุดนั้นทิ้งพรัวเลยเไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยนั่นแหละคราวนั้นหละใจของเราจะ รู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงอบางคนก็เห็นในใ น, นาทีสุดท้ายอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้ให้ฝึกคิดเอาไว้มันจริงไหมมันจะเป็นต้องจริงๆอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอขอแต่ว่าข้อสําคัญเมื่อเวทนาเข้ามาบีบคั้นมากๆนะนะเออมันจะละเมอเพ้อไปเลยเป็นยเออรื่นรางไปเล ย, เลยพอเวทนามันบีบอแต่ทีงงไงก็เจะ อแต่นาทีสุดท้าย เ, าเวทนามา่ก็คงจะให้โอกาสเมือนกันนะเพราะมันมันออกจากใจมันจะออกจากรากแล้วนี่วมันจะบีบไปที่ไหนอีกมันบีบได้แต่กายท่านั้นใจมันก็ต้องออกมาดูท่านะดูธาตุขันของตัวเองจากนั้นก็ดูใจใจไม่เข้าไปยึดไปถือใจไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันในร่างกาย ร่างกายมันจะดิ้นไปยังไงมันก็เอาดิ้นไปเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็มาอาศัยเขาเท่านั้นเองในคราวนี้เราอาศัยเขาไม่ได้แล้วเพราะมันจะแตกแล้วอมันจะดับไปแล้วมันจะแตกกระจุยกระใจสู่ดินน้ํามลมไฟไปแล้วเนี่ยเราจะไปยึดมั่นถือมันในจุดนั้นได้ทํำยังไงมันต้องรู้อีกนั่นแหละอ เพราะนั้นฝึกเอาไว้ฝึกคิดเอาไว้ในจุดนี้เพราะมันจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ไม่ไมไมวันใดก็ต้องวันหนึ่งเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราเอาเรื่องที่ความตายหรือว่าสิ่งที่เราอนาคตที่เรามองไม่เห็นเอามาพูดกันไม่ใช่เราต้องวางแผนและวางแผนชีวิตของเราเอาไว้ก่อน เพราะว่าอีกสักวันหนึ่งมันองเป็นอย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นพูดได้อย่างนั้นเพราะเห็นมาแล้วเห็นมาต่ อ, ตอหน้า ต, ต่อตาไม่รู้กี่กี่รายล้วกี่รายมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นเราตัวของข้าพเจ้าเองก็คงจะไปในอีหลบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเตรียมไว้แต่เนินๆต้องเตรียมคิดเอาไว้ว่าร่างกายสังขาร น, นี่อีกสักวันหนึ่งคงจะถึงจุดจบของมัน เมื่อถึงจุดจบของมันแล้วเราจะทำยังไงจุดนั้นแต่รลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นตร้อยทั้งร้อยผอแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ปฏิบัติมาท่านก็ยืนยันไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายเนี่ยกับใจคนละอันคนละอย่างกันคนละอันกันแต่ใจของเรามาหลงร่างกายหลงจนถอนตัวไม่ขึ้น ว่าร่างกายในเป็นตัวตนของเราจริงๆแต่อีกสักวันหนึ่งนั่นแหละต้นนาทีสุดท้ายก็ยังถอนไม่ขึ้นอีกเพราะไม่ได้คิดล่วงหน้าไ้ก่อนแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านใ้คิดล่วงหน้าไว้ให้คิดไว้แต่เนิ่นๆว่าพิจารณาไว้เลยพอบวชเข้ามาเนี่ะพอเข้ามาสู่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงะออไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นกฎอันใดจังทั้งหมดะพอมาพูดถึงจุดนี้ก็ลําลึกถึงที่สุพัท ธ, ธะสุพัท ธ, ธะที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าที่วันจะปรินิพานแต่ดูๆแล้วก็ปัญหาของสุพัท ธ, ธะนี่ก็ถ้าเรามองดูแล้วก็เป็นปัญหาที่เห็นเห็นอยู่แต่ทาไมสงสัยนี่แหละ ความขี้สงสัยของคนนมันแปลกจริงๆนะนำมาพิจนารณาดูแล้วอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่พอเดินออกมาเดินออกมามาเห็นสุพัทธ์คือนักปวดนอกศาสนาเดินมาเจอกันพอมันเจอกันแต่หลวงพ่อเองก็ไม่มั่นใจว่าสุพัทธะนี่ได้ยินว่าเป็นตระกูลของสากยะนะ เพราะว่าทิฐิไม่ใช่ธรรมดาสากยะนะแต่ที่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาด้วยความสง่าผิวพรรณวันนะผ่องใสเห็นแล้วอูส้ส ม, มณะนี่หน้าเคารพนับถือเรื่อมใสก็เลยถามฮะท่านส ม, มณะท่านทำไมร่างกายของท่านผ่องใสสวยงามมาก ท่านบวชในศาสนาไหนท่านยินดีในศาสนาอะไรใครเป็นครูของท่านที่ที่ท่านชอบใจลักษณะนั้นแหะเพราะพุทธองค์บอกว่าเราเป็นสยามผูรู้แจ้งโลกไม่มีครูบาอาจารย์เรารู้ได้ด้วยตนเองเราตัดสินเองโดยชอบใคร์วัดท่านไม่ได้เรียนมาจากใคร ท่านได้พิจารณาเห็นโดยเป็นศาสดาได้ตัดรู้เองโดยชอบแต่นะสุปภะได้ยินเท่านั้นแหละอทั้งแลบลิ้นด้วยใคล้ายๆคนที่ว่าไม่แลบแลบลิ้นใส่ไปว่าไม่ไม่พอใจใคล้ายๆเขาไม่ศ ร, ร, รัทธาคล้ายๆในใจโอ้ยขี้โกโหกขี้อวดเนาะอลักษณะอย่างนั้นแหละคนที่ไม่เชื่อกันมันเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็เสร็จแล้ว เอใส่หัวละไปเลยไปคนละทางกันพระุทธองค์ก็ไม่ได้ว่าเลยพระองค์ก็เดินไปเพื่อจะไปโปรดปัญจวคีทั้งห้าแต่ในสุปทานเนี่ยก็เป็นนักบวชนอกาศาสนาะก็ถามไปถามไปถามไปถามปัญหาที่ข้องในใจจนถึงครั้งสุดท้ายนีย่ที่เมืองกุศินาราที่พระพุทธเจ้าจะปริทิพานแต่พระุทธองค์ก็อายุแปดิปีแล้วเนี่ย เมื่อปรินิพานแต่สุภทาเนี่ยคงจะแก่อีกเหมือนกันารหนะึ่งขนาดนั้นแหละแต่เนี่ยไงเอ๊ะเราไม่ไปถามสั ม, มณะโคโดมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเสียใจเมื่อภายหลังนะั่นเองคําห้องใจของเราเราถามอนักบวชนอกศาสนาเนี่มามากต่อมาเนะน่ยนักบวชผู้เฒ่าเอแต่ที่เราไม่เราไม่อยากจะถามมันนักบวชหนุ่มเออนักบวชหนุ่มก็คืออนักบวด ที่พระพุทธเจ้าคงจะหนุ่มกว่านะ่ะหนุ่มกว่าสุภนะัทะนี่ยน่ะคือเด็กกว่าหนุ่มกว่านะ่ะไม่อยากจะถามเด็กกว่าหนุ่มกว่านะแต่ถามพระพูเทเจ่าก็ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ไม่ได้ความเหมนถามแล้วไม่เข้าใจตอบไม่จุไม่ตรงประเด็นลักษณะอย่างงั้นแหละ เ, เหมือนกับเราอยากจะได้อนมวัวไปเป็นลิดเออไปนมไปลิ ด, น ม, ลดนมที่เขาวัวลักษณะอย่างนั้นแนะ่ะ อ่ามันไปถามคนที่ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงฮทีนี้ก็เอ๊ะถ้าเราไม่ถามเนี่ยสมณะโครมเนี่ยเราจะเสียใจเมื่อภายหลังนั น, นีออันนี้พระพุทธองค์จะปริภิพานในในคืนนี้แล้วเนี่ยสุปัฏาก็เลยเข้าไปเข้าไปพระสงฆ์ก็บอกว่าสุปัฏาจะเข้ามาถามปัญหาเนี่ยพระนอนุนก็ห้ามเอาไว้อย่าเข้ามาพระพองค์ อทรงเพียบประาการหนักแล้วจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดดันเข้ามาอยากจะเข้ามาถามปัญหาผมขอถามปัญหาต่นนี้ขนาดพระอนนท์กับสุปัฏกําลังสนทนากันอยู่พระองค์บอกว่า อ, อนนท์อให้เขาเข้ามาเถอะที่เรามาที่นี่กันเนี่ยเพื่อเขานี่แหละอเพื่อสุปัฏฐ์เนี่ะให้เขาเข้ามาพระอนนท์ก็เลยปล่อยให้เขาเข้ามาเข้ามาในในม่านนี่ค่อยๆก็เป็นผ้ากั้น่ะ เข้ามาในภากันสุพัทธ์ก็ถามเนี่ยถามปัญหาปัญหาสามข้อเนีปัญหาสุพัทธ์ถามสามข้อข้อแรกบอกว่าลอยสัตว์ในอากาศมีไหมเนี่ยถามได้ยังไงเนาะดูๆล้วพิจารณาดูเลยลอยสัตว์ในอากาศมันจะมีได้ยังไงมันบินไปแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยลอยสัตว์ในอากาศมีไหมพระเจ้าข่า อันที่สองปัญหาที่สองอบอกว่าสมัมเนธสมณนผู้สงบปฏิบัติีปฏิบัรชอบเนี่ยนอกจากพุทธศาสนาเนี่ยมีไหมนะแล้วก็สังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเนี่ยมีไหมนะนี่แหละสามข้อนะที่สุปทาถามนะค้างใจมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตัดสรู้จนถึงพระพุทธเจ้าะจรินิพพาน มีปัญหาอยู่สามข้อที่ข้องใจที่จะที่ถามปัญหาที่กุชินาลาที่วันที่พระพุทธเจ้าจะปรินีพานในในคืนนั้นนะพระองค์บอกว่าสุภะะรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่จะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนอกจากศาสนาของเราตถาคตไม่มี แล้วก็สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีแต่เราตถาคตเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้มั่นคงอตัดรู้โดยชอบท่านยืนยันในตัวของท่านอีกจากนั้นอย่าถามเลยสุภะทะเพราะอย่างอื่นเราไม่มีเวลาที่จะอธิบายแล้วตั้งใจฟังจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดง ในอริยสัจ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยเหตุให้เกิดทุกอะไรคือตให้เกิดทุกขจากนั้นก็เทศให้ฟังสุพภะทะได้สําเร็จพระอนาคาคณะที่ฟังจากนั้นบาเพ็ญต่ออีกได้สําเร็จเป็นพระรหันย่่าว่าเป็นพระรหันคนจุดท้ายท้ายสุดที่พระพุทธเจ้าได้ แสดงทําให้ฟังเลยคือสุภัทระนะแต่ว่าท่านก็ว่ารพระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นบุพกรรมกรรมเก่าของสุภัทระคือโกนธัญญนะเนี่ยเป็นสองพี่น้องกันกับสุภัทระโกนธัญญาเนะี่ยเวลาทําบุญอะไรเลรียบธรรมเวลาจะทําบุญเนี่ยก็ทำท ำ, ทำทานถึงเ้าครั้งเหมือนกนะันคือเป็นเศรษฐีเป็นก่าพอดีที่ทํารวยจะต ก, ก้านี่ก็ทำบุญครั้งหนึ่ง เวลาจะดำหน้ากระตกแล้วก็ทำบุญอีกครั้งหนึ่ง เ, เวลาดำเสร็จแล้วก็ทำบุญอีกครั้งหนึ่งทำบุญทั้งเก้าครั้งจนถึงเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือแล้วก็ปราถนาขอให้ได้สำเร็จมักสำเร็จผลก่อนเพื่อนฮอแต่สุภัทธาเนี่ยทำบุญเก้าครั้งแล้วรวมทำบุญครั้งเดียวเลยครั้งสุดท้ายเลยเอะก็เลย ทำบุญขอท่านให้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลออครั้งสุดท้ายอันนี้ก็คือในตําราหรือว่าในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้อย่างนั้นนะคือความปรารถนาคนหนึ่งอยากจะได้เร็วคนหนึ่งอยากจะได้ช้า เ, ออเหมือนกับบางคนของเราทุกยุคยุคสมัยนี้นะออก็ได้ยินเหมือนกันอกเออพูดจะไปนี่พานก็ไปแล้วข้าจะตามหลังไปทีหลังคนสุดท้ายนั่นแหละนะ อย่างนั้นก็มีเหมือนกันฮะแสดงว่าคนเรามันนาน า, น า, นาจิตตังนานาทัศนะจริงๆนะนี่แหละอันนี้ก็คือพูดถึงสุภัทระที่มีปัญหาที่จะถามพระพุทธเจ้าดูดูแล้วก็ปัญหาค้างใจของคนยมาพิจารณาดูแล้วแต่พอเราคิดดูเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาแต่ว่ามันก็ค้างในจิตใจของคนนานทีเดียว เพราะนี้ย น, นะย่อมนานาจิตต่างนานาทัศนะจริงๆฮิในความคิดเห็นเพราะ น, นั้นพวกเราอะไรก็ตามมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องหาเหตุผลขนาดได้ขนาดถึงมันไม่ทุกยากลําบากอะไรก็หยวนก็จบกันไปเท่านั้นน่ะจะไปถืออะไรฮะนกมันจะบินอยู่ในอากาศมันจะมีรอยทําไมมันรอยกันจะได้ประโยชน์อะไรเรารู้หรือไม่รู้มันได้อะไรฮก็ไม่เห็นได้อะไร โ ล, นนโลกอันจางใช่โรคอเนจังของไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแนละ้วทํำยังไงในเมื่อไม่เที่ยงเราก็ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้หลักธรรมคาสอนจะตั้งอยู่ในความประมาทนะถึงจะตายแล้วก็ไม่สูงตายแล้วเกิดอีก่งอันนี้เราก็ประกอบคุณงามความดีแล้วศาสนาอื่นของเขาล่ะคนดีมีไหมที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลพระพุทธเจา้าไม่มีอแต่บอก ทุกคนมันก็ต้องมีคุณงามความดีนะแต่จะให้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลในศาสนาอื่นเพราะศาสนาอื่นไม่มีอริยสัจที่สี่ไม่มีทุกขโมยในโรธมรรคทำที่จะทำให้บรรลุในศาสนาอื่นในอริยสัจไม่มีในศาสนาอื่นเพราะนั้นมีแต่พุทธศาสนาพุทธศาสนามีอริยสัจ ที่ทำชำระจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อมีภารกิจธุรกิจมากช่วงนี้พะว่างงานของหลวงปู่จามตึงยังไงใครมีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำหน้าที่ของหน้าที่ของพวกเรานะให้ดีที่สุดนะอยู่ในนั่นหะให้ภาวนานะ หลวงพ่อบอกเออพวกเราภาวนาเนออยู่ในวัดเนอร์เนี่ยก็ให้ต้กตั้งใจเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของสนุกสนานนะสนุกสนานไปกระเถอะนั้นนะได้อะไรคิดดูสิมันได้อะไรอ เ, เพราะนั้นประกอบคุณงามความดีน่ะเลิศประเสริฐที่สุดนะอตอนนี้ไปนั่งภาวนาในวันนี้นะให้ครบพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานั่งภาวนาเพื่อ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภพบรมราชินิพบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระ อ, องค์